วันที่สิบสองมีโอกาสไปร่ว ม, ม, มปลูกต้นโพได้กันได้บุญมหากุศน ม, มหาใหญ่มหาศาหลหน่อสีมหาโพที่ได้มาจากพุทธคยาที่กษัตริย์ในยุคนั้นถวายราชการที่ห้ามาออเป็นหน่อของจากสีมหาโพพุธทคธคยาแล้วราชการที่ห้ามาปลูกไว้ที่ ว, วัดนเบนบ้านเบนก็เลยเพาะออกมาเพื่อ แจกใจเลยได้รับมาธรรมดาเขาต้องทําเรื่องขอถึงจะได้อันนี้ไม่ได้ทื่องขอมายังไงมาเองเทวธาเทวดาอยากจะมาเรื่องนี้เล็กเป็นหน่อเล็กหน่อที่ก็พาะขึ้นมาสูงประมาณเนี้ยไม่ใหญ่ก็พระเจ้าทรงตัดเองบอกว่าสีมหาโพธิอยู่ที่ไหนก็เท่ากับว่าพระสัททาคุประทับอยู่ที่นั่น เท่ากับที่เป็นการเรียบเท่าพุทธองค์การปลูกต้นสีมหาโพต้นแรกก็คือพระอนุนอาไปปลูกที่เมืองสาวัตถีเชตวันอาณาธาพินิการเศรษฐีกับนางวิสาขาร่วมกันแล้วก็พระเจ้าประสิทธิโกศลร่วมกันปลูกต้นโพนั้นได้ชื่อว่าอานันทโพที่ต้นโพที่พาะนุนนปลูก โมคลานะเหาะไปที่ใต้ต้นโพแล้วกลางคื น, น้าจิวรลองเมล็ดโพล่นไม่ให้ตกถึงพื้นแล้วเมล็ดโพที่หล่นเนี่ยเอาไปเพาะปลูกเป็นการเอาส่วนส่วนของพระศรีมหาโพลนะไปปลูกเพื่กจะก บ, บอกว่าต่อไปมหาชนทั้งหลายก็จะมีที่สักการะเคารพประดุจดังพุทธองค์ยังสงพระชนอยู่ หลบุคคลไดก็ตามที่ได os os o, ้เขารบสักการะต้นศรีมหาโพจะไม่ไปสู่ใบายภูมิในชาตินั้นแต่ชาติต่อไปยังไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ยังดีไปอินเดียตั้งหลายหนไม่ได้ไปถึงเลยอยังไม่ถึงคัะโอ้ต้องไปกราบให้ได้นะต้นโพนี่ควรไปให้ได้หรือ หรือจัดทัวร์ไก็ได <laughs> <laughs> ้ใครใครเก่งๆก็กลับว่าจะจับกันเอาให้น้ำใจสักสิบวันน่อยขั้งก่อนเจ็วันมมันต้อง10วันค่ะสิวันเพราะมันจะต้องมีาไปหนึ่งวันครที่ได้ก็ไปก็ต้องไปที่ะสม อะไรดีเนาะมีอะไรถามเขามาไห้ในนี่ยัมีนะอันนี้บันทึกเรียงบันทึกแล้วครับบันทึกเร้่องะเดี๋ยวมีเดี๋ยวถามได้อ่าได้พอดีไอ้เห็นเคยได้ยินมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูขัพยนต์ป่าแล้วก็พูดประมาณว่าตัวเราเป็นของ การมุชุต้องดึให้พรจันท์เพื่อปีปาน่าจะเป็นบวหารให้เกิดการคบคิดนะแต่ตัวเราเป็นของเรากจริงไงแต่มันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นตัวเราแต่มันไม่ใช่ของของเรารก็ในหน้าพาเขาเขาก็คือประมาณว่าคือเขาเกิด ล, กลูกนอนเขาว่าเขาเขา้าใจคำนี้แลเพราะว่าตัวของเรานี่ก็คือเป็นของเรานีแต่ว่าคือเหมือนว่าที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะต้อง มีคนรอกท้างด้วนะไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวเราอืคือก็จะสื่อความหมายเป็ฝรั่งเนี่ยเขามีความสื่อความหมายไปในทางธรรมะเหมือนกันตัวเราเป็นของเราก็จริงแต่ไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้นี่เราเป็นของหมอเนี่ยนี่เรเป็นของโยมุนมีนะเนี่ยตัวของโยมแม่จันทิพย์เนี่ยเป็นของโยมุนมี อาจจะไม่ใช่ของของเราเสมอไปแต่ตัวเราเป็นตัวเราจริงเป็นเป็นเทํานองนี้ในความหมายทางพุทธศาสนาตัวตนมันมีอยู่จริงแต่ในตัวตนนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่และมันต้องสลายตัวมันจึงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงความที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่เองจึงเป็นเครื่องแสดงออกถึงการที่เราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นหมายถึงว่าตัวเราเป็นตัวเราแต่ก็อย่ายึดถือในตัวเองเป็นตัวของตัวเอง ตัวเรายังเป็นของพ่อเป็นของแม่เป็นของพี่เป็นของน้องเป็นของลุงป้านะ้าอาที่เขามีส่วนในการที่จะเกี่ยวข้องกับเราอยู่เขาก็บอกว่านี่หลานกูนี่ลูกกูนี่พี่กูนี่น้องกูเห็นไมเห็นไหมเราตัวเราเป็นของของคนอื่นได้ในหลายอย่างแต่ตัวเราเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของของเราตัวเราเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ของของเราทํานองเนี้ยนั่นหมายถึงว่า ถึงแม้ตัวเราจะเป็นตัวเราก็ตามแต่เราจะไปสร้างความเป็นตัวตนให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองหากเราสร้างความเป็นตัวตนในการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองการยึดตัวเองว่าเป็นตัวของตัวเองก็จะทําอะไรก็ตามไม่สนใจใยดีพ่อความคิดของพ่อความรู้สึกของแม่ลุงป้านะญาติพี่น้องอย่างเงี้ยไม่สนใจเลยอยากจะทําอะไรตามใจชอบไม่รู้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกใจอะไรบ้างในสิ่งที่เราทําเดี๋ยวเราก็มา พูดว่ามาทุกข์ใจกับเราทําไมเราอยากจะทำซะอย่างอะไรเพลียตัวนี้เป็นตัวข้างเราอันนั้เนเ็คือเป็นความค่อยใจผิดนึ่งเพราะว่าผลกระทบคนพู้ได้เจ้าบอกว่าหากเราจะมองธรรมชาติมันคือเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะคำว่าหนึ่งเดียวกันนะหมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมกระเทือนไปอีกสิ่งหนึ่งมีคนคนหนึ่งทําดีความดีจะต้องกระเทือนไปอีกถึงบุคคลหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเราทําดีก็ต้องมีคน ยินดีกับเราด้วยเพราะสิ่งที่เราทํานั้นเป็นความดีหรือเมื่อเ ร, เราตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็ต้องกระเทือนต่อต้นไม้ต่ออีต้นหนึ่งเวลามันลม้ลมลงต้นไม้ต้นอื่นก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยและหากตัดต้นไม้ทั่วทั้งโลกผลกระทบกระทบที่ใครมนุษย์ผู้อาศัยอยู่น้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมนี่บลภาวะมละพิษโกรธร้อนนั่นหมายถึงว่ามันกระเทือนกันหมดเลยนะแล้วคนที่อาศัยอยู่ในโลกจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นเกิดภาวะโลกที่มันไม่ดีอย่างนั้น สภาพแวดล้อมที่เป็นโมลพิษแสดงว่าทุกสรรพสิ่งมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนั่นคือความไม่มีตัวตนมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้แต่ตัวเรานจะเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ของของเรามันจะสอดคล้องกับหลักธรรมชาติตรงเนี้จึงมีคํำกล่าวว่าทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งนี้เป็นเอกภาพเอกภาพคือความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นเอกภาพนี่เองเราจึงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามความชอบใจของเราเพราะมันเชื่อมโยงกันหมดลูกคนหนึ่งทำก็ส่งผลถึงพ่อแม่ใช่ไหมล่ะหรือว่าคนในประเทศหนึ่งกระทำก็ส่งผลถึงคนทั่วพังประเทศโดยรวมหรือกสังคมโลกเกิดเหตุไม่ดีที่ภาคใต้กระเทือนถึงแผ่นดินไทยทั่วทั้งประเทศไหมก็กระเทือนทั่วถึงกันต้องส่งทหารไป จากแต่ละภาคอีสานบ้างเหนือบ้างตะวันออกบ้างตะวันตกบ้างสงา่งไปภาคใต้เพื่อไปควบคุมเหตุการณ์คือมันกระเทือนทั้งกันหมดมันเกี่ยวโยงกันหมดคือความเป็นเป็นหนึ่งทั้งด้านดีและด้านรายเพราะการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันส่งผลถึงอีกสิ่งหนึ่งแน่นอนนี่คือคือสิ่งที่เราจะต้องทําวามเข้าใจและยมเอกได้พูดถึงเรื่องนี้จากภาพยนตร์นี้ก็น่าคิดนะเป็นสิ่งที่น่าคบคิดว่า ทางฝั่งหลังเขาให้ความสาคัญในเรื่องนี้ในเรื่องคนรอบข้างในเรื่องสังคมโดยกว้างโดยรอบเนี่ย<ม>แล้วเขาพยายามลดทอนตัวเอง ล, ลดทอนความเป็นตัวตนของตัวเองลงมองเห็นถึงคนอื่นมากขึ้นแต่กว่าจะเข้าใจไม่ใช่จะได้เข้าใจ ง, าง่ายในภาวะชีวิตอย่างนี้ความเป็นจริง น, นี่แด้คนที่ผลิตภา พ, พยนตร์หรือว่าสร้างสิ่งเหล่านี้โดยแทรกหลักคิดหรือสิ่งที่ทำให้เกิดขบคิด นั่นหมายถึงว่าการสร้างภาพภาพยนตร์ของคนฝรั่งไม่ได้สร้างเพื่อความบันเทิองอย่างเดียวแต่เขาพยายามให้แง่คิดอะไรบางอย่างที่เป็นสาระประโยชน์แก่คนชมนั่นคือเป็นจัญญาบรรย่างหนึ่งนะของคนทําภาพยชน์ไม่ใช่ทําเรื่องหัวราอบอะไรหัวเราบแบบเมืองไทยเราเลยไม่มีสาระอะไรเลยตลกครบคันเอาเรื่องของพระไปล้อเล่นเป็นหลวงพี่อะไรหลวงพี่นงหลวงพี่เท่งอะไรพระไปล้อเรียนกันทั้งเรื่อง ก็ก็เราก็ต้องพิจารณาดูนะจริงๆทัศนคติของฝรั่งเขาจะมีความสอดคล้องกับความเป็นพุทอยู่มากความเป็นสาคลความเป็นสาคลที่แท้จริงนะคือความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เขามองแต่เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันมันยึงจะต้องมีการควบคุมกันและกันถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เกิดปัญหา มสหรัฐมีการกับเกาหลีเยกมันอยู่ด้านนนแหละแต่ไม่รู้จะเอากันเมื่อไหร่สักทีนะญี่ปุ่นก็ระวังไทยกันอยู่นะะั่นนะมันเป็นความเกิดเทือนแล้วก็เทือนต้องเกิดเทือนถึงประเทศไทยอีกถ้าเกิดมีเหตุอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือความเป็นเอกภาพความดีที่เราทำไม่ใช่ส่งผลเฉพาะในความเป็นมนุษย์ที่เราเป็นอยู่ส่งผลถึงเทวดาที่เป็นญาติของเราในเทวดาโลก จึงมีในเรื่องราวในท้องเรื่องในพราพุทธนาที่มีการกล่าวว่าในวันพระ15บหขั้นเทวดาจะประชุมกันอยู่ที่ธรรมสภาชั้นดาวดึงจะไปประชุมมนหมดในขณะที่ประชุมกันเน่ยเขจะประกาศขึ้นมาในท่ามกลางของธรรมสภานั้นเนี่ยสมาคมเหงทพนั้นว่าญาติของเทพเทพญาติของเทพผู้นี้ได้ไปทําบุญในวันพระที่นี่ แล้วได้แบ่งผลบุญมาถึงแก่เราเทพทั้งหลายขอให้พวกท่านจงยินดีอนุโมทนาก็จะประกาศอยู่บนโน่นอยู่บนเทวโลกนั mm ่ญ hmm. าติที่บนเทวโลกก็สาธุกันอยู่นนก็หึม mm hmm. และเทวดาทั้งหลายเราอื่นก็สาธุพร้อมกันด้วยอย่าง mm hmm. นี้เดี๋ยวแม้มั น, มนความดีกระเทือนถึงกันถึงเทวดา mm hmm. เทวโลกก็ถึงไม่ทำดีกันผ่านกันญาติของเทพผู้นี้ทําความชั่วยอยู่โลกมนุษย์มีใครอนุโมทนาไหม mm hmm. ไม่มีใครอนุโมทนา ไม่เอาหรอกเดี๋ยวมีแต่กูจะลบไปบีพอมันไอ้นี่นเป็นญาติกูเหมือนกับครั้งที่พุทธองค์ทรงวางจักรวัตรทิวัตจักรวัตรทิวัตจกกักรวตรทิวัต <c ười> <c ười> คือวัดของพระเจา้าจักรพรรดิที่พึงทรงประพฤติให้มาถึงชั่วอายุคนจนรู้สึกว่าช่วงยุคของที่ว่าเส้นผมงอกให้ออกบรรพชา ถาเสนผมหงอกเมื่อไหร่ให้ออกบรรพชานีเนเน่เป็นวัดที่ปฏิบัติมาสืบสืบกันมาหลายรุ่นนะปรากรุ่นรุ่นเลนรุ่นหลานรุ่นที่6กที่เจดที่แปนั่มั่งที่เส้นผมหงอกแล้วไม่ยอมออกบวชบอกว่าจะไปออกบวชทําไมปู่เราพาทำมาอะไรไม่รู้เรื่องจะไป อ, อบวชทาไมล่าสมบัตินี้ดีจะตายประมาทเลื่อนเล่อเสพสุขอยู่ในร่าสมบัติพอดีเทวดาผู้เป็นผู้ตั้ง ตั้งกฎเกณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยอยู่ ไ, ม, ไม่ไรไอ้ น, นี่สักประมาทแล้วอะไอเหรีคนเนี้รู้สึกก็จะประมาทเนี่ยไม่ยอมออกบวชเรา usaha ตั้งไว้ไม่งั้นดํา อ, อันนี้ของเราจะสูญเสียไปวงตระกูลในความเป็นกษัตริย์จะสูญเสียไปคือการไม่ยอมสละราชสมบัติให้แก่ผู้ที่อยู่สุดท้ายภายหลังเนี่ยผมงอกแล้วไม่ยอมออกบวชไม่สละเนี่ยจะต้องมีการแย่งชิงราชสมบัติกันขึ้นอย mm ่า hmm. งเงี้ยก็ไป็นอาน้นจริง ยังคิดลาสุบัตแอนัรนก็นโดนตุ ป, ปหารโดนโดนทฐุสลายสุดท้ายผู้ที่ตั้งกฎคนแรกที่เป็นกษัตริย์ฟุตเจ้าเราเนี่ยเลยลงมาจุติเองแล้วมาสืบต่อวัดนี้ต่อ <c oughs> เนี่ยทำนองเนี้ยคือมันมีความเกี่ยวโยงกันในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สาชนเรียพี่ศีศาจสุรกายหรือเทวดาเนี่ยไม่ไม่มี ไม่มีใครได้หายออกไปจากโลกนี้อย่างแท้จริงตายก็แค่ยุติ <c oughs> ความเป็นมนุษย์ในภาวะหนึ่ง <c oughs> เพราะละชีวิตไปหลังจากความตายก็ไปอยู่ภพหนึ่งแต่ไม่ได้หายไปไหนยังรับรู้รับทราบถึงกันอยู่เพียง <c oughs> แต่เราเราไม่รับรู้รับทราบถึงเขาแต่เขารับรู้รับทราบถึงเราแม้เขาจะไม่รับรู้รับทราบโดยตลอดขนะดแต่ก็มีโอกาสเช่นบรรพะก็จะมีประกาศอยู่บนเทวโลกเมกื่อญาติคนนี้ได้ไปทําบุญแต่ถ้าญาติไม่ไปทำบุญเขาก็ไม่ได้ประกาศถึง จะเป็นอย่างนั้นทํานองนั้นทีนี้มีบุคคลที่จะต้องหายออกไปจากโลกนี้ก็มีพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่คือเป็นผู้หายออกไปจากโลกแต่ไม่ได้สาบสูญยังมีอยู่ในภาวะอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานไม่ชีเมืองแต่เป็นสภาพที่ไม่มีการจุติอุบัติไม่มีการเบิงเกิดขึ้นไม่มีการดำรงอยูอย่ี้ไม่ใช่สภาพแห่งการเย็นวายตาเกิด ท่านิพพานจึงเป็นที่ที่หมดความทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงเข้าไปถึงเพราะสภาพสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้เชื่อมโยงเข้าไปถึงนิพพานไม่ได้แต่มนุษย์เรามนุษย์เทวโลกภ ม, มโลกเนี่ยยังเชื่อมโยงถึงกันได้เสมอตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจในความเป็นตัวตนของเราเองแม้เราจะมีตัวตนเองเป็นตัวของเราเองที่สร้างมาด้วยบุญกุศลคุณงามความดี แต่เราคนมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะความดีที่ได้สะสมภายในตัวเองมาแต่ปางก่อนถ้าไม่ได้สะสมคุณงามความดีมาก็ไม่มีฐานได้เป็นมนุษย์ได้อันนี้คือสิ่งที่เราสร้างมาด้วยตัวของเราเราเป็นตัวตนของเราแต่ตัวตนนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงนะเรายังเป็นของคนอื่นอยู่นะนนจึงไม่ควรยึดถือภายในตัวเองว่าจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ทําความดีนะได้แต่ทําอะไรที่มันไม่ดีเอาแต่ใจน้องเพงอย่างนี้เอาแต่ใจหรือเปล่า หนูอยากหนูอยากจะทําอะไรก็เรื่องของหนูหนูอยากจะอยู่หน้าจอก็เรื่องของหนูแม่ไม่ต้องมาสนไม่ต้องมายุ่งเนี่ยอันนี้คือยึดถือในตัวเองมากเกินไปต้องต้องลดทอนความรู้สึกในความยึดถือในตัวตนของตัวเองลงแล้วก็พ่อแม่ช่วยให้ทําอะไรก็ทําอันนั้นบ้างนะโอเคธรรมะนั่งเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องอะไรธรรมะเป็นธรรมะ แต่โค้กคิดไม่ถึงก็แค่ได้ชมเป็นแค่บันเทิงแต่ถ้าโคคิดถึงนะมีข้อธรรมหลายข้อธรรมที่ได้จากการดูภาพยนตร์เหมือนกันนะโดยเฉพาะภาพยนตร์ฝรั่งมีบางคําที่พูดถึงถึงสัจธรรมของชีวิตด้วยในหลายสิ่งหลายอย่างมันสะท้อนถึงสัจธรรมในบางสิ่งบางอย่างออกมาเคยดูเรื่องอะไรเรื่องที่มันจิตซ้อนจิตอะไรเนี่ย มันก็คล้ายคลึงแต่ไม่คล้ายเสียทีเดียวกับหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาจำชื่อเรื่องขาไม่ได้นะฝลังที่สะกดจิตอะไรกันเนี่ยจถ้าอย่างนี้ออย่างย่ฝรั่งหรือย่างอย่างคนเนี้ยชิดลุ ยังวนเวียนอยู่เพราะเขาไม่มีทางแห่งอริยมรรคทางแห่งอริยมรรคมีพุทธศาสนาศา ส, สนาเดียวศา ส, สนาอื่นไม่มีทางอริยมรรคทางอริยมรรคนี้ไม่ใช่ทางทีไ่ไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าและไม่ได้ไปอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าเมื่อไปถึงความเป็นนิพพานแล้วนะ่ะความเป็นพุทธเจ้าก็ไม่มีความเป็นพระสงฆ์สาวกค็ไม่มีความเป็นตัวบุคคลในนั้นไม่มีทุกอย่างเสมอทั้งหมด เหมือกับความความเป็นพุระเจ้าหน่อแต่ไม่มีความเป็นพุระเจ้าคือมันไม่มีมันถอดความเป็นสมมติทั้งหมดออกไปความเป็นพุระเจ้ายังเป็นสมมุติเมื่อเข้าไปสู่สภาพที่เป็นเสมอกันหมดแล้วก็ก็ไม่มีการกําหนดหมายและสมมุติในสิ่งใดๆว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่แต่ไม่ได้หายสาบสูญไปไหนต้องเป็นผู้เข้าถึงถึงจะสามารถทราบได้ทีนี้ทางศาสนาอื่นเขาสอนทําคุณงามความดีสอนหลักหลักคําที่ทําให้เขามองเห็น อย่างเช่นคําที่บอกว่าตัวเราเป็นของเราตัวเราเป็นตัวเราจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ของของเรามันเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักธรรมธรรมก็จริงแต่เพียงแต่ว่าเส้นทางแห่งอริยมรรคเขาไม่มีถึงแม้จะมีการมองสอดคล้องกับหลักธรรมชาติหลักความจริงก็ตามแต่ไม่มีเส้นทางในการดําเนินเขาก็ไปจากออกจากวาัตานี้ไม่ได้เพราะว่ามีปัญญาในการรู้จักการบังตนการดํารงตนความเป็นอยู่ในชีวิต ใ น, ในสภาพแห่งการเกิดเย็นนับไม้ตายเกิดเขาจะมีปัญญาจะเนี่ติดตัวไปอยู่ที่ไหนก็ตามปัญญาจะเนี้ยก็คอยอบรมจิตใจเขาให้เขากระทาสิ่งที่ดีๆต่อคนในสังคมมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมมันก็ดีดีแต่ดีอย่างนั้นมันยังมันยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกยังไม่ใช่ความดีที่แท้จริงดีแต่ยังไม่จริงความจริงที่จริงต้องไม่มีการเีย็นไม่ต า, ตายเกิด อ, อันนี้คือทัศนธรรมพุทธศาสนา แต่ทศนาศาสนาอื่นถึงเขาจะไปรวมอยู่กับพระเจ้าก็ก็ต้องมีการไปอยู่รวมกันกับพระเจ้าเมื่อมีการไปอยู่รวมกันก็ต้องมีหนึ่งพระเจ้าเป็นหัวหน้า2มีลูกของพระเจ้ามีบริวารของพระเจ้าก็มีการปกครองกันใช่ไหมพอมีการไปอยู่รวมกับพระเจ้าก็เมื่อมีการปกครองกันก็ต้องมีการอยู่ภายใต้อำนาตกันเมื่อมีการอยู่ภายใต้อำนาตกันก็ต้องมีการกระทำสิ่งที่ผิด ผิดจากหลักักการปกครองคือหลักของการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีบ้างที่ทําให้ผิดจากการหักการปกครองก็ต้องมีที่พระเจ้าต้องลงโทษแสดงว่ามันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงการมีร่วมอยู่ร่วพระเจ้าใช่ไหมล่ะเพราะต้องยังมีการปกครองกันอยู่แต่นิพพานไม่ให้มีการปกครองกันไม่ใช่ธรรมาชาติที่จะต้องไปดูแลกันปกครองกันควบคุมกันบังคับกันไม่มีนิพพานไม่ใช่ที่หรือแม้แต่ทุกวันนี้มีคนเข้าใจว่าพระนิพพาน พระเจ้าหรือว่าอะไรที่เขาพูดถึงว่าเป็นสภาพอันเดียวกันไอปารมาตามันของพราหมณ์ของฮินดูอะไรพวกนี้เป็นสภาพเดียวกันตะมาขอคัดค้านว่ามันขขไม่ใช่ในทิฏฐิความเห็นที่คนเข้าไปไม่ถึงนิพพานมากักจะมีความเห็นว่าเป็นอนเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าใครจะไปรวมอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่ที่เรียกว่าปารมาตามันหรือนิพพานเขาก็บอกว่าเป็นสภาพอันเดียวกันที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเอาไ แต่จริงๆไม่ใช่มันคนละเรื่องคนละอย่างคนละความหมายเพราะนั้นพูดถศาสนาเราถึงแม้จะมีทางเดินเป็นทางสายกลางที่ออกจากวัตัุแต่คนไม่พูดอะไรเข้ากับการมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ได้เดินตามหลักคำสอนของศาสะนาะหมายถึงว่า ก็ไม่ได้แตกตายย่างจากคนทั่วไปในศาสนาอื่นและเมื่อเทียบกันแล้วคนศาสนาอื่นดูจะมีเหตุผลมากกว่าคนในพูทธเสด้วยเพราะคนในพูดเรามีหลักทางเดินสายกลางที่จะออกจากวัฏฏะไม่ยอมปฏิบัติแล้วยังทําสิ่งที่เป็นความงมงายไปยิ่งกว่ายิ่งกว่าคนนอกศาสนาอีกงมงายจนกันจนโอ้ฝรั่งก็ง ง, งกันฮะคนไทยเขารบได้ทุกอย่างเนาะใช่ไหม ไหว้ผีไหว้ต้นไม้ไหวสัตว์ที่การไหว้เสาหลักเมืองไหวสารผู้ไหว้ได้หมดเข้ารบทุกอย่างแต่ไม่เข้ารบอย่างเดียวกดจราจรก็ขว่ากันอย่างนั้นนะก็เป็นธรรมาธรรมดาของคนที่ยังงมงายอยู่แต่เราก็ไปว่าเขาเขาก็ไม่ชอบใจเนอกแต่เราก็ไม่ได้ว่า แต่หมามันต้องคือมันต้องแก้ไขตั้งแต่คือจะจะสอนจะแก้ไขจะอะไรมันต้องตั้งแต่ในระดับฐานหลักใช่บุคคลเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้พุทธศาสนาเจริญไม่ใช่วัตถุแต่คนเน้นสร้างวัตถุกันมากมายผิดทางใจแบบเรียนพุทธศาสนาใช่โครงสร้างทางศาสนาวางแผนผิดตั้งแต่แรกวางแผนผิดหมดเลยตั้งแต่โครงสร้างคณะสงฆ์นี่ก็ผิดแล้ว สมเด็จสังฆราชไม่เข้าประชุมในมหาเทวสมาคมเพราะอะไรโค้งมันวางโค้งสร้างกันผิดมันมีการกระทําที่มันมีนอกมีในอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่ไงเรื่องของเงินวัดเงินอุดหนุนวัดเนยอาเป็นประเด็นเป็นเ่าเงินพรนกันนี่แหละมันก็มีคนจะเอาเรื่องกันอยู่แต่มีคนก็ขีดกันกันอยู่ก็หลายอย่างแหละคือมันเสียหายไปหมดไปตั้งแต่นี่แหละไอ พอ อ, อสนาสำนักงานพิษณนานแห่งชาติที่ว่ามีคมดีเนี่ย<ม>โกงเงินโสงไปเนี่ยมีกี่ล้านกี่ล้านตามข่าวนะแต่ไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อใส่ความนะเงินโสงเยอะเยอะเยอะอะไรชี้มาอะไรมานี่อ๋ออันนี้คือเราพูดกันอยู่ที่นี่ไม่ได้กล่าวปาฏิารใคร <c oughs> พูดตามข่าว เนื้อขาวที่เขาออ ก, ออกมานะจริงหรือเท็จยังไงก็กรรมุดาวัตะติโลโกโสัตโลกไ ป, ไปตามกรรมจะ <c oughs> ทำกรรมอะไรก็ได้รับกรรมอันนั้นเม็นรื่ธรรมดา <c oughs> มันก็ต้อง <c oughs> ลื้อฟื้นกันใหม่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนโค ร, รงสร้างทางพุทธศาสนาใหม่ แล้วก็ทําความเข้าใจในหลักคําสอนให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่จะต้องศรัทธาด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ศรัทธากันเป็นเนพีแค่ลมปากกันที่กล่าวว่าศราัทธาศรัทธาเชื่อแต่ไม่เข้าใจหลักคําสอนเชื่อพระพุทธเจ้าตรงไหนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ต้องเชื่อคําสอนของพระองค์ด้วยเชื่อพระพุทธเจ้าแต่นี้เชื่อคําสอนพระองค์มันไม่มีคุณค่าอะไรเลย ม, มันไม่เกิดคุณค่าพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตมีอยู่คนทั้งหลายมาทําบุญด้วยกับตถาคตได้บุญก็จริงแต่คุณค่าของตถาคตไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญของคนแต่คุณค่าของตถาคตก็คือความเป็นสัมมาสมัมพุทธะนี่เพื่อสอนหลักทําให้คนได้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงที่เป็นสัจจ์นั่นคือคุณค่าหากพระเจ้าไม่แสดงคําเอาพระเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ย นั่งให้พวกเราเมื่ไปสักการะบูชาทำบุญนั่งอยู่อย่างงั้นแบบร้อยปีพันปีพวกเราไปสักการะถวายทานบูชาทำบุญพ้นทุกกันได้ไหมไม่ได้ได้บุญไหมได้แต่พ้นทุกไหมไม่พน้นพระเจ้าไม่ได้แสดงอริยสัตว์สีทุกเห็นให้เกิดทุกความดับไปของทุกทความปฏิบันธ์ถึงความดับทุกเป็นยังไงเมื่อพระองค์ไม่ได้แสดงหลักธรรมข้อนี้เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามหลักคาสอนเราก็ไม่ได้แตกต่างจากบุคคลผู้บูชาเทพเจ้าบุคคลผู้ประพฤติ ด, ดี เทพเจ้าเทวดาเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่เขาทําดีในขณะที่เป็นมนุษย์ตายแล้วก็ไปเป็นเทพเพราะความดีส่งผลให้เขาได้เป็นเทพเมื่อเขาได้เป็นเทพเพราะเขาลึกได้ว่าที่เขามาเป็นเทพได้ไม่ใช่เป็นเทพเพราะผุดเกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์หรืออํานาจอะไรเมื่อจากการทําความดีขณะที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นความเป็นเทพนั้นหากมนุษย์ใดทําดีก็เข้าถึงความเป็นเทพได้เสงเหมือนกันกับตัวของตัวของเทพเองการที่มนุษย์จะคอยแต่มาบูชาเทพนั้นจะบูชาทําไม ทำไมไม่ยอมทําความดีเพื่อให้ประเทศแบบเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ความเป็นสมาสัมพุทธะใครสามารถเข้าถึงได้บ้างมีเข้าถึงได้แค่บุคคลดีผู้เดียวเท่านั้นนะในยุคหนึ่งนะแต่ละยุคเนี่ยนะเข้าถึงได้แค่ผู้เดียวนอกนั้นได้เป็นแค่สาวกเพราะฉะนั้นการที่พุทธองค์บังเกิดหรืออุบัติขึ้นไม่ได้อุบัติเพื่อให้คนทําประสงค์ใจทําบุญเท่านั้นแต่ประสงค์ให้คนเดินตามหลักคําสอนและเข้าไปถึงสัจจ นี่คือพุทธประสงค์นี่คือประโยชน์ของพุทธองค์หาพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็เป็ น, นแค่ปัจเจกับพุทธเท่านั้นปัจเจกับพุทธไม่ตั้งศาสนาไม่สอนธรรมะจะว่าไม่สอนเลยก็ไม่ใช่ท่านก็สอนเรื่องการให้ทานทำบุญโลกหน้าทำบุญไว้สะสมโลกหน้าแต่จะให้สอนให้คนพ้นทุกข์ในชาตินี้สอนไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นสมมาสามพุทธคือการสอนให้คนพ้นทุกข์ โดยการบ ำ, บำเพ็ญการปฏิบัติในภพนี้ขณะที่เป็นมนุษย์นี้ส่วนจะพ้นหรือไม่พ้นนั้นเป็นการส่งผลในเรื่องของความเพียรที่เราทําเองจะพ้นหรือไม่พ้นก็อยู่กับความเพียรแต่เมื่อเราได้ประพฤติตามหลักธรรมเท่ากับได้เดินตามหลักคําสอนแล้วนั่นก็คือเราได้ยึดถือเอาสาระประโยชน์ในทางศาสนาที่เราควรจะได้นะตัวนี้คือความสําคัญอหนึ่งทีนี้โครงสร้างทางศาสนาเราผิดมาตั้งแต่แรกๆ แ, แล้วตั้งแต่เอาบท บทคําสอนไปเป็นบทสวดเนี่ยผิดมาตั้งแต่นั้นนะ mm hmm. เขาบอกว่าทรงจําใช่ยุคก่อนเนี่ยยุคย้อนไปเมื่อพันปีก่อนเป็นยุคของการทรงจําเพราะเป็นยุคที่ไม่ได้ถูกจารึกใช่ไหมนะแต่ตอนนี้มีการจารึกแล้วเราไม่ต้องไปทรงจํำแล้วเอาบทที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกมาตีความหมายไปสู่หลักคําคําสอนที่จะนําไปสู่การปฏิบัติตวงนี้คือความสําคัญไม่ต้องมาทรงจําอยู่ในหลักของ ไอ้ปลาถกาถาที่ว่าเอาไปสวดเพื่อทรงจําธรรมะอันนี้ไม่ต้องแนละ้วแน่นอนว่ายุคก่อนจะต้องทรงจําไว้เพื่อเป็นการสื่อต่อหลักคาสอนไม่ให้เหลอะเดือนต้องจําทุกคนต้องจำภาพทุกรูปต้องจําบทธรรมแต่ตอนนี้มีการจดจารึกแล้วไม่จําเป็นแล้วการทรงจํานะไม่จะเป็นไม่ต้องไปสวดที่ไหนไหนอีกบ้านไหนเมืองไหนก็ไม่ต้องไปสวดอีกไปบอกธรรมไปสอนธรรมไปแนะนำธรรมไปชี้ทางให้คนได้รู้จักรู้จักอะไรรู้จักความจริงของชีวิตคือทุก เรามีทุกข์นะแล้วเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นทุกข์มีอยู่ก็เพราะมีเหตุของมันเนี่ยเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะเหตุของมันเรารจะรู้จักเหตุของมันไหมว่าเหตุมาจากอะไรเมื่อเรารู้จักเหตุแล้วเราก็ต้องยอมรับทุกข์ได้เพราะมันมีมาจากเหตุอ๋อเพราะเหตุอย่างนี้นี่เองจึงมีทุกข์อย่างนี้เราก็จะเข้าใจชีวิตเราก็จะไม่ปฏิเสธทั้งทุกข์และเหตุของทุกข์เมื่อไใดก็ตามที่เหตุเรายังทําอยู่ทุกข์ก็ต้องมีอยู่ไปเรื่อยธรรมดา เราจะยอมรับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราละเหตุได้เมื่อนั้นทุกข์ก็ต้องไม่มีอย่างเงี้ยเราจะต้องมากําหนดรอบรู้ว่าเราควรจะละเหตุอย่างไรเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยให้กับเราเช่นมีาาพระปุณณะปุณณะเนี่ยได้ฟังเทศพระพุทธเจ้ารู้จักทุกชีวิตมีทุกรู้จักเหตุแต่ยังละไม่ได้เพราะได้มีครอบครัวแล้วมียายเลี้ยงแล้ว ทำการงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรแล้วยัไม่ใช่บุญนะบุญนั น, น, นี่แหละประมาณนี้ะนะบุญนัหรือปุราณะ น, นี่แหล ะ, ะประมาณพระสาวกองเนี่ยจนดึกใจใจว่าเราจะต้องละเหตุนี้แล้วก็แต่ก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ดูในการดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพมันยังสร้างเหตุแห่งทุกข์ดูแล้วก็พยายามภาคเพียงเข้าไปทําการละ สุดท้ายเมื่อรู้แล้วว่าละได้คือการไปขอพระเจ้าอุปสมบทพระเจ้าก็บอกว่าทําไมเธอถึงมาบวชตอนอายุมากทําไมไม่บวชตอนสมัยที่ฟังธรรมเราในครั้งนั้นข้าพงยังละเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้พระเจ้าค่ะเหตุแห่งทุกข์ยังมีอยู่ข้าพงก็ต้องทําเหตุแห่งทุกข์นั้นไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะละพอละมาก็มาบวชบวชไม่นานก็สิณสวกิเดชเป็นพระอรหนัน มันหมายถึงว่าทางแห่งมรรคเนี่ยมันมีรอเราอยู่แล้วแล้วก็ส่งผลให้เราเป็นไปในเบื้องหน้าในความเป็นผู้ดับทุกข์ให้กับตนเองอยู่แล้วมันก็สำคัญที่สุดก็คือหลักคําสอนพระเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเราแต่ไม่สอนธรรมะอะไรให้เราเลยมีประโยชน์ไหมไม่มีนะตัมมาว่าไม่มีเลยนะถามว่าได้บุญบุน บ, บุญก็ทําอ่ะมันมันก็ได้แค่ส่งผลให้เป็นไปในวัตฏะแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ตกทุกข์ได้อย่างมันดิ้นรนอีก เอาบุญมาสนับสนุนในความเป็นมนุษย์ในขณะที่ทํากับพระผู้ได้เจ้าอาจจะถึงมีโชคมีลาภอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นจากความภัยแห่งความเป็นโลกเป็นภัยหนีไปพ้นจากความหิวความกระหายความห่วงเฮาเฮานอนความร้อนความหนาวที่มันเป็นอยู่ในขณะที่เรามองชีพความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งเกิดขึ้นมันดีไหมล่ะรวยรวยพันล้านแต่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง มีความสุขไหมในชีวิต ม, มีความสุขผู้เจ้าจึงบอกว่าไม่รู้จะเกิดมาทําไมมนุษย์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วบุญแม้จะส่งผลให้เป็นไปในวัตถา ก, ก็จริงอยู่แต่ก็มันก็ยังไม่ใช่จุดประสงค์ที่โบงต้องการให้พุทธสาวกเป็นไปอย่างนั้นจุดประสงค์ของพระองค์ที่แท้จริงคือให้ดับทุกข์ให้กับตัวเองให้ได้โดยไม่ต้องเอาเครื่องบรรเทาทุกข์มาเป็นเครื่องแก้มันจะต้องเอาธรรมะตัวสัจจานี้เข้าไปดับดับคือดับให้มันถาวรไปเลยในจิตในใจ โดยดับที่เหตุความดับเพี่งเหตุอันนี้กระทำเจริญขึ้นมากๆเราก็พ้นจากอาสวะได้อะละมากน อ, ก น, อกนิดๆหน่อยๆพอ น, นี้ไม่เอาเยอะอนนอละพอสมควรเก็บเวลาในวันนี้ออนวยอวยพรให้กับญาติโยมที่มาทําบุญแล้วก็รับฟังธรรมเทศนาในวันนี้จงเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญ จเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานจริญด้วยวันณะมีผิวพรรณผ่องใสจเจรินด้วยสุขามีความสุกายสบายใ จ, จเจริญด้วยพละมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงทุกๆุกคนเธอ